ตอนที่5้บสความใจตรงกันหากนางพอจะช่วยอะไรได้บ้างก็ใช่ว่าจะไม่ได้เมื่อเห็นว่าท่าทีของนางเริ่มอ่อนลงในที่สุดปมที่ขมวดอยู่บนคิ้วของลินเซินก็คลายออกข้าคิดว่าทุกอย่างควรถูกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพวกผู้ประสบภัยใช่ว่าจะกินขนมหวานไม่ได้เพียงแต่ต้องกินให้เหมาะสมเย่เย่ยครุ่นคิดคนเหล่านี้ล้นหิวโหวยถึงขีดสุดโดยเฉพาะเด็กๆย่อมเลี่ยงไม่ได้ที่จะรีบกินอย่างตะกละตะกลาม ทั้งสองตกอยู่ในความเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพลงออกมาพร้อมกันมิสู้ทั้งคู่ต่างชะงักไปนึกไม่ถึงจริงๆว่าทั้งสองจะมีความใจตรงกันถึงเพียงนี้หลินเซินอารมณ์ดีขึ้นมาทันทีเขาเอ่ยอย่างมีมารยาทเจ้าพูดก่อนเถิดยี่ยาวังตัวสํารวมเล็กน้อยขนตาของนางสั่นไหวเบาๆหรือว่าช่วงเวลาที่เคยอยู่ร่วมกับเขาในชาติก่อนแม้จะไม่นานนักแต่กลับบ่มเพาะความใจตรงกันนี้ขึ้นมาแล้วสําหรับนางนี้ไม่ใช่เรื่องดีเลยสักนิด เย่เยาไม่มัวแต่เล่นตัวเรื่องสำคัญต้องมาก่อนนางปรับสีหน้าให้จริงจังข้าคิดว่าหากนำขนมเหล่านี้มาตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆแล้วค่อยแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยบางทีอาจจะพอเป็นไปได้ลินเซิร์นเผยยิ้มที่หาได้ยากเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความชื่นชมวิธีของเจ้านั้นใช้ได้จริงแต่ข้ายังมีอีกวิธีหนึ่งคราวนี้เป็นตาของเย่เยาที่สงสัยนางอดไม่ได้ที่จะเงยหน้ามองเขาตาไม่กระพริบวิธีใดหรือ ลินเซิร์มองไปยังขนมราคาแพงที่วางเรียงรายอยู่ข้างมอจกพลางถอนหายใจขนมเหล่านี้สำหรับผู้ประสบภัยแล้วมันก็คืออาหารประทังความหิวไม่ต่างอะไรจากโจ๊กแต่ในสายตาของเหล่าขุนนางและผู้ลากมากดีในเมืองหลวงมันคือสั ญ, ญลักษณ์ของฐานะและอำนาจเมื่อเทียบราคากับโจ๊กแล้วช่างแตกต่างกันราฟ้ากับเหวแม้รสชาติของขนมจะดีกว่าโจ๊กมากแต่นั่นต้องเป็นผู้ที่มีเวลาว่างละเมียดละไมถึงจะลิ้มรสได้ พวกผู้ประสบภัยกินอย่างเร่งรีบแค่รับรู้ถึงรสหวานได้ก็นับว่าดีแล้วทั้งยังกินมากไม่ได้มันไม่ได้ช่วยให้อิ่มท้องไปกว่าโจกเท่าใดนักการตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กแจกผู้ประสบภัยนั้นดีแต่หากนําไปขายในานามของการบรรเทาทุกแล้วนําเงินที่ได้มาใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมิยิ่งดีกว่าหรือเมื่อได้ยินเช่นนั้นดวงตาของเย่เยาวก็เป็นประกายขึ้นมาดวงตาหงคู่งามนั้นทอประกายราวกับดวงดาวหลิงเซิรมองภาพนั้นจนเผลอพลายไปชั่วขณะเย่เยาวเห็นพ้องและสนับสนุนเขาอย่างหาได้ยาก วิธีของซื่อจะยอดเยี่ยมยิ่งนักเพียงแต่จะขายขนมเหล่านี้ในนามของการบรรเทาทุกได้อย่างไรลินเซิร์นได้สติกลับมามุมปากยกยิ้มเทียงแค่จวนกัวกงและจวนสิ้นอองปล่อยข่าวออกไปพร้อมกันไม่นานคนทั้งเมืองหลวงก็จะรับรู้หลายวันมานี้ยายาได้รับคําชมเชยจากการบรรเทาทุกอย่างมากพวกขุนนางและเศรษฐีเหล่านั้นย่อมไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะสร้างชื่อเสียงคงจะพากันมาร่วมวงด้วยแน่นอน เย่ยวพยักหน้าตามทางฟังไปด้วยแต่แล้วนางก็ขมวดคิ้วอีกครั้งถามอย่างระมัดระวังแต่ว่าทางท่านอองนางรู้ดีว่าสิ้นอองไม่ชอบให้จวนกัวกงมาชิงความโดดเด่นในเรื่องการบรรเทาทุกย่อมไม่มีทางยอมให้หลิงเซินช่วยนางเช่นนี้แน่เมื่อครู่นี้นางถามทหารองครักษ์ที่ไปสืบข่าวมาอย่างละเอียดจึงได้รู้ว่าการบรรเทาทุกข์ของจวนสิ้นอองนั้นทำในนามของเซี่ยชิงจืออีกทั้งเหตุผลของเซี่ยชิงจือคือการทําบุญสุนทานเพื่อให้สวรรค์คุ้มครองให้แผลบนใบหน้าหายดีโดยเร็ว ฟังดูแล้วก็สมเหตุสมผลดีแต่เย่ยคิดดูครู่เดียวก็รู้ว่านี่เป็นการช่วยบางหน้าให้หลินเซินคงเป็นเพราะซิ้นอองไม่ยินยอมแต่หลินเซินอยากจะช่วยผู้ประสบภัยจึงให้เซี่ยชิงจือออกหน้าแทนใครจะไปรู้ว่าเซี่ยชิงจือกับแสดงความสามารถในการหาเรื่องใส่ตัวได้อย่างเต็มที่จนทําเรื่องพังอีกครั้งไม่รู้ว่านางตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจกันแน่จะว่าไปชาติก่อนหลินเซินเป็นผู้รับผิดชอบการบรรเทาทุกขเซี่ยชิงจือไม่เคยยื่นมือเข้ามาสอดแม้แต่น้อยทุกอย่างหลินเซินเป็นคนจัดการเองทั้งหมด แต่ชาตินี้กลับยื่นมือเข้ามาหรือว่านางจะกลับชาติมาเกิดใหม่จริงๆจงใจทําเรื่องให้พังเพื่อเสี่ยมให้ความสัมพันธ์ระหว่างนางกับลิงเซินร้าวฉานนั่นหรือหากเป็นเช่นนั้นนางก็ทําเกินกว่าเหตุไปมากในชาตินี้เยี่ยวายา่ปรารถนาจะตัดขาดกับลิงเซิรนให้สิน้นซาบอยู่แล้วในทางกลับกันหากเกิดเหตุการณ์ถึงขั้นมีคนตายขึ้นมาจริงๆอย่าว่าแต่ลินเซิร์นเลยแม้แต่จวนสิ้นอ๋อก็ต้องพล่อยเดือดร้อนไปด้วยถึงตอนนั้นตัวนางเองก็คงหนีไม่พ้นผลกระทบหรือว่านางจะบ้าจนถึงขั้นขุุดหลมฝัังงตวเอ เห็นทีคงต้องสังเกตดูต่อไปถึงจะตัดสินได้ว่าเซียชิงจือกับชาติมาเกิดใหม่ด้วยหรือไม่หลินเซิร์นนึกไม่ถึงว่านางจะคิดเผื่อเขาได้รอบคอบถึงเพียงนี้มุมปากของเขายิ่งยกสูงขึ้นเขาโน้มตัวเข้าไปใกล้าพลางเอายา่ยเย้าเยาว์ยากำลังเป็นห่วงข้าหรือใบหน้าเล็กของเยี่เ ย, ยาแข็งค้างนางสะบัดหน้าหนีด้วยความขุนเคืองซื้อจืดคิดมากไปแล้วบุรุษผู้นี้มีความสามารถในการทำลายความรู้สึกดีๆที่คนอื่นอุตส่าห์มีให้จนพีนาฏยาะยับได้ในคลิปตาจริงๆ ลินเซอรรู้จักกระเทศะเขาขยับตัวยืนตรงแล้วกระแอมไอเข้าเรื่องงานสเสด็จพ่อข้าจะพยายามกเกี้ยกล่อมเองอย่างไรเสียก็นับว่าเป็นเรื่องดีต่อบ้านเมืองราศดรฝ่าบาทยังทรงสนับสนุนอย่างเต็มที่สเสด็จพ่อคงไม่กล้าขัดพระทัยฝ่าบาทมากนะักเยี่ยยเอหันกลับมามองเขาอีกอักร้ายมีคำพูดติดอยู่ที่ริมฝีปากท่านไม่จําเป็นต้องขัดใจบิดาตนเองจนทําให้เขาไม่พอใจเช่นนี้ลิงเซอร์เอ่อยอย่างใจกว้างไม่เป็นไร แม้เสด็จพ่อจะมีนิสัยวุ่วามอารมณ์ร้อนแต่ไม่ใช่คนโง่เขลาเบาปัญญาให้เวลาท่านสักหน่อยท่านจะค่อยๆ ค, คิดได้เองและ้จะค่อยๆค้นพบเหมือนกับเขาว่าแท้จริงแล้วโยวยา น, นั้นดีมากยิ่งมองก็ยิ่งดีลินเซอร์มองนางมุมปากไม่อาจหยุดยิ้มได้เลยเยี่ยอถูกเขาจ้องจนรู้สึกอึดอัดนางก้มหน้าหลบสายตาเขาแล้วเปลี่ยนหัวข้อสนทนาขนมหวานเป็นของที่เก็บไว้นานไม่ได้หักซื่อจะอยากจะช่วยผู้ประสบภัยก็ต้องรีบจัดการโดยเร็ว หลินเซินยิ้มไม่ใช่ว่ายังมีวิธีของเยายาอยู่หรอกหรือเย่เย า, ยาชะงักอีกครั้งอะออะไรนะเขาชี้ไปที่ขนมที่วางอยู่ของวันนี้คงนาไปขายไม่ทันแล้วให้ทำตามที่เยายาบอกตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยไปก่อนส่วนข้าจะไปติดต่อร้านขนมที่มีชื่อเสียงในเมืองหลวงเพื่อร่วมมือกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเริ่มขายในนามของการบรรเทาทุก์ ไม่ใช่แค่ขนมหักเงินบรรเทาทุกอย่างไม่พอเสื้อผ้าผ้าพับใบชาหรือโบราณวัตถุก็สามารถทําเช่นนี้ได้ทั้งหมดดวงตาของเย่เยาทอประกายขึ้นมาอีกครั้งหากนางคิดได้เร็วกว่านี้ก็คงไม่ต้องร่วมมือแค่กับเจ้าของร้านข้าวสารเท่านั้นในเมืองหลวงยังมีพ่อค้าที่มั่งคั่งอีกมากมายที่ยินดีทําบุญโดยเฉพาะงานบุญที่ส่งผลดีต่อชื่อเสียงอย่างมากเช่นนี้นางพยักหน้าซื่อจือให้คําแนะนําที่ดีแก่ข้าจริงๆช่วยข้าได้มากเลย แต่แล้วเยี่ยวยาก็ขมวดคิ้วถอนหายใจออกมาอีกครั้งน่าเสียดายลินเซอรจับสังเกตสีหน้าของนางได้อย่างรวดเร็วรีบถามต่อเสียดายเรื่องใดยเยี่ยวยาบอกตามตรงที่ใช้ข้ากล่าวไว้ถูกต้องการทำเช่นนี้เป็นการแก้ที่ปลายเหตุแต่ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุความเมตตาที่มากเกินไปอาจก่อให้เกิดความแค้น หากไม่หาวิธีที่เหมาะสมในการจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยต่อให้ใช้กําลังของทั้งแคว้นก็ไม่อาจประคับประคองเช่นนี้ไปได้ตลอดทั้งยังจะเกิดปัญหาตามมาไม่รู้จบลินเซอร์รู้สึกประหลาดใจสองพี่น้องตระกูลเย่คิดไปไกลถึงเพียงนี้นีส่สิถึงจะเรียกว่าทําเพื่อบ้านเมืองและราษฎรอย่างแท้จริงทําให้เขาอดรู้สึกละอายใจไม่ได้เป็นถึงซื่อจือเป็นคนในราชวงศ์ปรับหงใหญ่บ้านเมืองได้ไม่เท่าสองพี่น้องคู่นี้ อีกทั้งเสด็จพ่อกลับเห็นแกโทสชัววูบจนละเลยราศดรช่างไม่ควรเลยจริงๆแต่หากเขาสามารถหาวิธีแก้ปัญหาใหญ่เรื่องนี้ได้เย้เยก็คงจะไม่ต่อต้านเขาถึงเพียงนี้แล้วใช่หรือไม่เมื่อคนพบทางลัดที่จะทำให้นามีความสุขได้หลินเซินก็ไม่อาจเก็บซ่อนรอยยิ้มที่เอ่อล้นออกมาในดวงตาได้เลย